พระธรรมเทศนาแผ่นที่106ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25ตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่าให้รู้จักถ่อมตัวโลกกลานอยู่ในความสงบ วนันนพระลงมาฉันยี่สิบเอ็ดงดฉันยี่สิบบางตาวานันนพระพ่อพอคงจะเป็นฝนตกมั้งคงจะเป็นมีระเสียมเขาสูงมั้งเวลามัน ห, หนาวเข้าทํา วันนี้เป็นวันอังคารที่ยี่สิบห้าตุลาคมพุทธศักราชสอง9ันห้าร้อยห้าสิบเก้ากระถินของเราวันที่ยี่สิบสามวันก่อนแล้วก็วังวานปัป่าบ้านเพิ่มกระถินบ้านเพิ่มเมื่อวา น, นหลวงพ่อท่านก็นิมนต์แล้วนิ้มนต์อีกพอ ตลวงพ่อก็เหนื่อยก็ลืมก็กระทั่งท่านสดเมื่อวานเนะีพอตื่นมาตอนเช้าออกมาจากห้องอา้าวกระถิ่นท่านสดนี่ว่าวันนี้ว่าไปไปไปเอารถไปออกไปก็ไปถึงท่านก็ถึงไปคอยอยู่นดนานพอสมควรอยู่เพราะท่านบินธบาดเจ็ดโมงครึ่งเมื่อวานนะ ก่พี่น้องประชาชนก็โอ้มากอยู่ล้นหลามยอดกระถิ่นของท่านก็ได้รวมกันแล้วได้ล้านห้าแสนกว่าก็มากอยู่เศรษฐกิจบ้านเมืองอย่างนี้ก็ได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่น้อยล่ะพี่น้องประชาชนมาจากจารุรทิศ ม, มากมากไม่พอสมควรเมื่อวา น, นแล้วก็รเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานเป็นวันพระด้วยนะ แรมแปดค่ำเดือนสิบเ็ดแรมแปดค่ำแต่อีกยังยังอีกสองอาทิตย์หมดเขตกระถินหลวงพ่อก็ไม่ได้ลงมาเมื่อคืนโอ้เหนื่อยมากลูกหลานเนี่ยบอสบอกครูบาจะทธาญาติโยมนะหลวงพ่อจะขอพักผ่อนจะก่อนวันนี้เมื่อเช้าก็ตั้งแต่เช้า มากกว่าทั้งวันอีกวันก่อนก็แขกคนก็มามาลง ม, มาตุ่มวันงานกรถินวันหลวงพ่อพักผ่อก็ได้เลยไม่ได้ลงมาเมื่อคืนประมาณสักสองทุ่มฝนลงมาเอืง้งนี่ละงานในวัดของเราทุกปีร ว, ว่างานใ ห, ใหญ่ที่มีงานทําบุญจะเป็นงานกริ่นงานวันเกิดงานทําบุญอุทิศ กุโสนเพื่อญาติธรรมวันเดือนสามเพนพองานเสร็จแล้วฝนจะตกเกือบไม่เว้นแต่ละครั้งเลยล่ะที่มองมองดูที่ว่าแสดงว่าเทพเจ้าเราเทวาในวัดของเราเนี่ยชอบความสะอาดนะพอเวลาพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเข้ามาทําบุญแล้ว เอาขี่ตีนขี่เท้าทิ้งไว้ในวัดเนะทวดาเอาน้ำมาชะล้างทำความสะอาดนะไม่เกินเจ็ดวันนะเวลางานเสร็จแล้วแต่เมื่อวานนี่ก็พวกเต็นท์ของเบบก็ไปขนออกไปเมื่อวานเนี่ ย, อ อ, อ, อ, นนยออกไปประมาณหโมงพระอันบอกพอขนของออกหมดกับฝนก็ลงเมื่อคืนนี่ประมาณทัก2สองทุ่ม รอบแรกนะพอตีสองเนี่เทลงมาขนาดหนักเลยนะเมื่อคนะืนฝนตกแรงไนดะ้ลูกลานะเนี่ยชาล้างขีตีเนี่ยเกี้ยงเลยและนั่นแหละอันนี้คือฝนตกเมื่อวานแต่งานเมื่อวานหลงก็ไปฉันไปฉันที่วัดท่านสดก็ไม่ได้พูดเรื่องงานของวัดเรา เมื่องานวัดเราเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรบ้างขาดตกปกพ่องอหลวงพ่อก็ใส่ชี้แกงทุกครั้งเกือบทุกครั้งอ่ะพอเสร็จงานแล้วอ่ะแต่คราวนี้เรหลวงพ่อก็ได้มาบอกกล่าวอีกวันนี้แหละเมื่อวานไม่ได้อยู่จะมาละ่ะวันนี้หลวงพ่ออยู่งานของเราทุกอย่างทั้งพระเนนลูกหลานสถาญาติโยมชาวบ้าน ตลอดผงพวกในครัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดน่ะที่มารวมกันทําบุญกรถิ่นเนี่าวนี้รู้สึกว่าอบอุ่นไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องหลวงพ่อก็ถามทุกอย่างเรื่องน้ําเรื่องไฟเรื่องอาหารการบริโภคเรื่องพักพักที่พักพาอาศัยแต่เขาอาจจะเรื่องพักพักที่พักพาอาศัยหลวงพ่อก็ยอมแพ้ก็แล้วละเพราะว่าที่วัดของเราน่ย จะไปจัดให้คนเป็นหมื่นเป็นพันๆ น, นพักคงจะไม่พอนลที่พักแตคงพักทางนอกบ้างแต่ก็พักทางในบ้างแต่เรื่องที่พักยอมแพ้นะแต่ส่วนอย่างอื่นเรื่องอาหารการบริโภคอะไรรู้สึกว่าเพียงพอได้รับความอบอุ่นจากศรัทธาญาติโยมพี่น้องหลักลานให้ความช่วยเหลืออย่างดีมาก แล้วก็ขอหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นประธานแลวเป็นหัวหน้าและวเป็นเจ้าอาวาสหรือว่าเป็น เ, เจ้าของงานหลวงพ่อขอขอบคุณและขออนุมโมทนาจากทุกท่านที่มาให้ความร่วมมื อ, อในการช่วยงานในคราวนี้ครั้งนี้ตลอดถึงาการทำบุญทำทานเสียสละทุนทรัพย์ สมภพงานกรถินตลอดถึงเจ้าภาพเจ้าภาพใหญ่มาจากกรุงเทพคุณเกียรติพูลไก่บริษัท ต, ตกตาที่หลวงพ่อเคยไปฉันที่บริษัทเห็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาโดยเฉพาะอย่างยิงท่านติดเป็นลูกศิษย์หลวงปู่บนมเม่นุ่นยาโสธรท่ท่านรู้จักท่านเคารพ แต่วัดเราก็นา่งนานมาทีวันนี้ข่าวนี้ท่านมาจองกรถิ่นที่วัดเราก็นั้นเห็นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่งานกระถิ่นเป็นงานที่ชนกันมากในแต่ละวัดโดยมากเป็นแต่วัดใหญ่ใหญแต่ที่วัดของเราก็ที่เห็นคนมาขนาดนี้ก็คนเป็นค น, คน มาจากจาจุรจาจุรทิศแต่พี่น้องท้องถิ่นเป็นผู้ยืนพื้นเป็นผู้อยู่ยืนพื้นมากทีเดียวเลยล้นหลามขอขอบคุณขออนุมโมทนาจากดวงวิญญาณจากดวงใจทุกดวงใจนะแล้วก็วันออกพรรษามาพวกเราออกพรรษามาก็ไม่กี่วัน แต่มาถึงวันนี้แต่ทึงยังไงก็ตามหลวงพ่อถึงจะพูดไปที่ไหนที่ไหนหลวงพอ่อคนเน้นหนักเตีองประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจสิจ่งไหนที่มันไม่ดีเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเกิดมาในโลกออตั้งแต่บรรพบุรุษของพวกเราครูบาอาจารย์ของพวกเรามีแต่แนะนำลูกหลานพี่น้องประชาชน ให้ทำคุณงามความดีอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยให้รักเมตตากันให้รู้จักสัมมาคารวะผู้น้อยผู้ใหญ่รู้จักสถานะของตนเองการอยู่ด้วยกันพ่อคือใครแม่คือใครพี่คือใครน้องคือใครผู้ชงรงคุณวุฒิคือใครวัยวุฒิคุณวุฒิคือใคร ให้พวกเรารู้จักจากนั้นกนเราก็วางตัวในฐานะโลกเมื่อเป็นครูบาอาจารย์ก็วางฐานะาเป็นครูบาอาจารย์ตามความเหมาะสมตามพระวินัยตามพระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้อย่าไปเย่อหยิ่งจองหองอย่าไปลืมตัวเมื่อตัวเองเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าก็อย่าไปลืมตัวในเมื่อเป็นลูกน้อง เราก็อยู่ในสถานะลูกน้องอย่า ก, กา้าวไกลอยู่ในสถานะเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาเรียนรู้ถ้าเราพอใจใจมาศึกษาในวัดในกับครูบาอาจารย์เราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในสถานะที่จะต้องศึกษาถ้าว่าเราไม่พอใจเออเราเรียนจบแล้วล่ะครูบาอาจารย์องค์นี้ที่ท่านแนะนำสั่งสอนเราเรียนจบแล้ว พูดไปพูดมาวนไปวนมาแล้วเราได้ยินทุกคำแล้วแปลว่าหมดแล้วหมดใจหมดพุงแล้วเราจะไปหาองค์อื่นหรือเราไปตั้งตนได้ออกไปเลยเถอะเนี่ยพอเราเรียนศึกษาเรี ย, รยนแล้วจบแล้วแล้วก็ออกไปเราจะทํำยังไงก็ได้ฉันออกไปแล้วแต่ถึงยังไงก็ต้องยึดแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อในสั่งเสียพระลูกพระหลานเอาไว้ แต่เมื่อมาอยู่กับหลวงพ่อแล้วอยู่กับหลวงพ่อให้ปฏิบัติเป็นพระที่ดีในเมื่อออกไปจากหลวงพ่อไปแล้วก็ให้ถือแนวปฏิปทาของหลวงพ่อพาดาเนินถ้าหาจะมายังจะมาถือว่าหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์อีกนะแเมื่อเข้ามาท่านทั้งหลายต้องเป็นผู้อยู่ในหลักธรรมวิถีในหรืออยู่ใน ทุโถงเขวัดพอสมควรตามที่หลวงพ่อพาดําเนินไม่ใช่ว่าเราออกไปแล้วทำออกนอกลูกนอกทางนอกลู่นอกทา ง, ทางไม่อยู่ในศีราะจารวัดจากนั้นก็เข้ามาหา ห, าหลวงพ่ออีกกําเหมือนกับเราไปเกือกก้วกั่วขี้ตมขี้โคลนติดตัวมาแล้วเปื้อนของปฏิกูลมาแล้วเข้ามาเข้ามาห า, หา ห, าหาหลวงพ่ออีก กระทำให้วัดของหลวงพ่อเปื้อนเปิดเลอะเทอะไปอีกเหมือนกันเพราะเหตุไรนี่พระองค์นีน่ออกอยู่ออกนอกวัดนะทําตัวแย่มากอยู่แถวนั้นแถวนี้แล้วยังมาเห็นเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออินอยู่เลยเนี่ยมันเสียใครล่ะมันไม่ใช่เสียท่า น, านองค์นั้นนะมันเสียวัดเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายท่องปวงเหล่านี้แนหะละหลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงตา เ, เมื่อเรามาอยู่ที่นี่เราก็ยึดแนวปฏิปทาของหลวงตาอย่าให้ ใครดูถูกเอียดยามได้อย่าให้ใค ร, ใครว่ากล่าวเราได้ว่าหลวงพ่ออินมาอยู่แล้วไม่ได้ยึดแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาทำออกนอกลู่นอกทางจะฉันยังไงก็ฉันออไม่ไม่เหมือนอยู่ไม่เหมือนหลวงตาพาดำเนินหลวงพ่อต้องระวังมากในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะคนทั้งหลายเขาจะตาจับหน้าผากผู้มีปัญญาก็มีไม่ใช่มีแต่คนโง่ คนที่มีปัญญาเขาก็ต้องสังเกตมองดูว่าสมัยอยู่เมื่ออูอยู่องค์หลวงตาดำเนินอย่างไรในเมื่อท่านมาอยู่ตามลาพังท่านปฏิบัติตนอย่างไรพวกสัธาาตธ์ทายาทโยมเขาก็ต้องมองแล้วก็เปรียบเทียบอันให้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายออกก็เหมือนกันที่ออกไปจากหลวงพ่อแลอ้จะไปทาแบบ สมสีสมห้าไม่อยู่ในกฎระเบียบไม่ได้นะเข้ามาจะเสีย เ, เสียหายต ว, วัดที่หลวงพ่อแนะนำสั่งสอนบอกกล่าว อ, อ, อยากจะให้พระเนนของหลวงพ่อเป็นพระที่ดีอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ในสีรายจรวัดอยู่ในขนบธรรมเนียมทุยองควัดขององค์หลวงตาพาดำเนินฉันมือเดียวฉันในบาทบิณฑบาทเป็นวัด แล้วก่อนการบำเพ็ญไม่มั่วสุมคุยกันอาหารการฉันเป็นยังไงสิ่งทบทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อพาดําเนินเป็นยังไงเนื่อเมื่อตรงพ่อเป็นหัวหน้าหลวงพ่อวางตัวยังไงในเมื่อเราไปไปเป็นหัวหน้าเราควรจะวางตัวยังไงกับที่เหมือนกับหลวงที่มาอยู่กับหลวงพ่อเมื่อเราเป็นลูกศิษย์ลูกหา เราก็ควรวางตัวอย่างไรผู้เข้ามาศึกษาเนี่แต่บางแห่งบางองค์ไม่รู้จักความใคร่ค่ะเหมไม่รู้ไม่จูไม่รู้จักสถานะของตนเองอมาอยู่กับครูบาอาจารย์อยากจะให้ครูบาอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าได้อย่างใจของตนเองออยากจะให้ได้อย่างใจถึงทําไมอยู่ให้งโง่ทําไมอมาอยู่ให้ครูบาอาจารย์ปฏิบัติอย่างตัวเองจากต้องการต้องหนีสิ ผื้นแผน่นดินไทยมันไม่ได้แคบเหมือนใบมะขามป้อมใบมะขามมันกว้างยิ่งกว่าอะไรพร้อมที่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เราต้องการยังไงถ้าจะทำความชั่วไปาทาความชั่วแต่อย่าเข้ามาอีกนะมันเปิอเปืเป้อนะอย่างปิวันะถ้าเราจะดีเด่นก็ดีเด่นไปสิไปอยู่อ้อมันเด่นดังไปเลยหรือจะเอาอยัางไงเอาเป็นพระหานไปเลยก็อย่างเหมือนกับพระพายะทารุจริยะเนะี่ย พอเห็นการพุ่นวายในหมูในคณะปาะไปด้วยการเจ็ดอ ง, งเราในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสปะจากนั้นก่อนชวนกันได้เจ็ดองเลยไปไปเห็นภูเขาแท่งเหมือนกับกระติกน้าร้อนเนยลกักษณะนั้นจากนั้นก็ทำบันไดไม้ไผ่ขึ้นไปเหมือนกับเขาทำบันไดขึ้นไปเอารังนกนางแอ่นอยู่ในแถบแ ถ, บ, ถบพังภาคใตลกักษณะอย่างนั้น ทำบันไดขึ้นไปพอถึงยอดเขาแล้วก็ผักบันไดไม่มีที่ลงเลยสิะถ้าลงก็มีแต่ตายลูกเดียวนะเอาสิเราจะเอาอย่างนั้นก็ได้นะโลกนี่มันโลกหาได้เราจะเอาอยัางไงก็ได้ทําไมเราจะไปอยู่กับครูบาอาจารย์ทําไมจึงไปทําให้ท่านหนักใจกับเรื่องของเราเราพร้อมที่จะไปอยู่ท่าสถานที่ใดก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องทําให้ ท่านเป็นทุกข์เป็นร้อนกับตัวในความคิดของเราเองสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ใช่ว่างโง่แล้วไม่รู้จะว่าอย่างไงอีกเหมือนกันคนเรามันโง่เป็นคนละทิศคนละทางเหมือนกันนะคำว่างโง่คำนี้นะค น, นงงคนหนึ่งโง่หนึ่งคนหนึ่งโง่หนึ่งต่างคนต่างโงนะ่ะแต่หลวงพ่ออินก็ไม่ใช่โง่น้อยเหมือนกันนะโง่มากอีกเหมือนกันนะหลวงพ่ออินพูดภาษาอังกฤษได้ไหมไม่ได้อนะจะได้หลวงพ่ออินโง่แล้วใจะมาเอ่ยชายภาษาไทยเนี่ยก็ยัง พูดผิดพูดถูกอีกต่างหากหลวงพ่ออินอย่างโง่อยนะเออชายอย่างโง่อยู่นะเพราะนั้นคนเรามันโง่เป็นคนละทางแต่ที่ยังไงก็ตามนะสิ่งที่รู้แล้วนะสิ่งที่ควรจะทํำยังไงเหมาะสมตามกาละเทศะอันนั้นเราก็ต้องคิดอีกเหมือนกันนะนะมันจะเสียหายคนอื่นเขาไหมคนอื่นเขาเดือดจะเดือดร้อนไหมทําทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็ไม่ควรเอาความโง่ของเราไป ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนจนเกินไปในเมื่อเราไปขึ้นไปขี่บนไปนั่งบนศรีรษะเขาลงซี่ลงสี่เขาเพราะตัวเองไปนั่งบนศรีรษะของเขานะ่ะผลในสุ ข, ข้องงัดลงขนาดงัดลงก็ยังจะปีนขึ้นไปอีกนะจะไปโง่อรอบหนึ่งโง่งอรอบสองอีกแทนนะอ่เพราะฉะนั้นสิ่งเราทั้งหลายทั้งปวงนะส้อนหลงพบชี้ประเด็นให้พระรูกพระหลานศรัทธาญาติโยมได้ฟังเป็นแนวความคิดทั้งหมด เพื่อจะสอนให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดให้รอบคอบไปอยู่ในสถานที่ใดแต่ถึงยังไงอย่าลืมศีลธรรมเพราะคนเราเกิดมาเนี่ยถึงจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยขนาดไหนขนาดพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านทรงคุณธรรมทุกอย่างมีพร้อมแต่จากขณะนั้นพระองค์ยัง เข้าสู่สวรรคนาคารายหลวงตามหาบวัวที่รักเขาของพวกเราท่านก็ยังเข้าจุตินิพพานพระพุทธเจ้าบรมมครูของพวกเราท่านก็ยังลาโลกเข้าสู่ปรินิพพานพระหันต่สาวกทั้งหลายทั้งปวงตลอดถึงพ่อแม่ของพวกเราไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเขาเราเป็นใครเราจะเราจะตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหม ตัวของเราจะตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านระลึกไว้อยู่เสมอคุณงามความดีในจิตใจของเราเพียงพอหรื อ, อยังเราสร้างคุณงามความดีเข้าใจในใจของเราพอหรื อ, อยังยังขาดตกอยู่ใช่ไหมตายแล้วเกิดนะตามหลักของพธธุทธะพระพุทธเจ้า พ่อแม่ครูบาอาจารย์าาตายแล้วเกิดนะบาบุญคุณโทษมีจริงนะนรกสวรรค์มีจริงนะให้ศึกษาเราจะไปเดาอย่าไปคาดคะเนอย่าไปประมาณการอย่าไปเชื่อคนอื่นอย่าไปเชื่อใจของตนเองอย่ไปเชื่อในความคิดของตนเองเราคิดมาได้เห็นไหมเราคิดมาเนี่ยมันไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่หนมันผิดพลาดถ้าไม่เชื่อก็ทดลองรู้ออกไปนี่ก็ไปซื้อไปซื้อเลขดูสิคิดว่ามันจะออกนะ เป็นยังไงมันจิบหายมาไม่รู้ว่าเท่าไรแล้วซื้อเหล็กผิดนะ่ะถ้าทุกคนอคิดได้แต่อะไรก็ซื้อเอาถูกเอาถูกเอาเน่ยคงจะรวยกว่านี่คงจะรวยทุกคนพ่อะเหตุไรนี่แหละเพียงแต่คิดแนวความคิดที่จะซื้อเลขเท่านั้นก็ยังผิดแล้วแต่คิดอย่างอื่นเลยที่เหนือกว่านั้นไปอีกเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องต่างๆเราต้องศึกษาออศึกษาพระพุทธเจ้าท่านว่า ผู้ฟังยังไม่พอเรียนรู้ยังไม่พอต้องปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ท่านยืนยันอย่างนั้นเพราะนั้นเพียงแต่เรียนรู้ฟัง เ, เฉยๆก็ยังไม่พอต้องลงมือปฏิบัติต้องนั่งคัดสมาธิจังว่านั่งภาวนานะจึงจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญจึงจะรู้ได้ต้องพิสูจน์อย่างนี้เราไปพิสูจน์ที่โคลนต้นโพลในวันเดือนหกเพน วันนั้นตอนหัวค่ําำหรอเรานั่งขัดสมาธิอทําจิตใจให้สงบพอจิตใจกําหนดลมหาย ใ, ใจเข้าออกจิตใจของเราสงบแล้วเราจึงรู้ได้ว่าปุเพนี่วาสานุสติญาณระลึกชาติผนหลังได้เนยแนวทางของพุทธามีอยู่แล้วแต่พวกเราเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อกระชุดแท้แต่อันนี้หนทางของท่านให้พิสูจน์มีอยู่เพราะฉะนนั้ขอให้พวกเราเอ คณะศรัทธาญาติโยมที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยนําไปคิดดูสิตีหลวงพ่อให้แนวให้คําแนะ น, นํา อ, อจากนั้นก็านั่งภาวนาดูสิการานั่งภาวนามีหลายหลายอย่างกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างพระพุทธทเจ้าก็ได้กําหนดนั่งสจัดสมาธิแล้วนะปฏิบัติอย่างหลวงปู่มั่นสอนก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะ แต่ทั้งก็รวางกรรมฐานว่ทั้งสี่สิบอย่างอีกกรรมฐานของพุทธะพุทธานุสติธรรมาสังขานุสติก็ได้หรือพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้เออลึกนับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองอย่างที่หลวงพ่อแนะนําก็ได้เพื่อทําสรุปแล้วก็คือให้จิตใจนิ่งตัวความรู้สึกนึกคิดตัวนั้นแหละตัวตัวรึกนึกแรงตัวสมองนั่นนะให้มันนิ่งให้มันสงบ อันนั้นขอให้พวกลูกหลานทุกคนนะเข้ามาศึกษาในหลักของพุทธศาสนาให้ตั้งอกตั้งใจศึกษาเรียนรู้ในหลักทำความสอนของพุท ธ, ธสิ่งที่เราไม่รู้นะี่มีมากในโลกเนะี่ยอไม่ใช่ว่าเรารู้ทั้งหมดไม่ใช่เราไม่รู้มีในโลกเนะี่ยมีมากเหลว ง, งพ่อยังเปรียบเทียบเพียงภาษาเท่านั้นนะเราก็ได้ไม่กี่ภาษาเนีวิธีทำอาหารเนี่ย เราก็ทําได้ไม่กี่อย่างอาหารในโลกมีมากมายแล้วอย่างอื่นอีกล่ะเ อ, อมีมากมายในโลกที่ที่เราไม่รู้เนะพราะฉนั้นเราอย่าไปทนงตนอ อ, อย่าไปพูดว่าตัวเองฉลาดนะเถ่อมตนไว้ดีกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเองไว้ดีกว่าจะน่ารักกว่านะถ้าประยองผองตัวเอ อ, อวดกล้ามนะใครใครเห็นน้ํามัน มันไสอย่างที่ว่าคำว่านักภาษานักเลงนะ เ, เพราะนั้นให้พวกเราอยู่นักสถานที่ใดให้มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ดีกว่านะประสูจน์อุโมทนาให้พรนะพร น, นิสเนเนื้